ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปัพพะปุภพัสสิกขาและปุพพัสิกขาวันน า, นาพระอมราพิรกิตะ อ, อมโรเกิดวัดบรมนิวาสรสนาถึงเรื่องของอธิคมสัตรธรรมถามว่าอธิคมสัตธรรมนั้นอย่างไร แก้ว่ามรสี 4, ผลสีนิพพานหนึ่งชื่อว่าอภาิคมสัตยธรรมมรสแปลว่าหนทางทำแปดสการคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสสัมมาสัสางกปัปปะความดตบิชชอบคือความบตบิประกอบด้วยเนคขมะอพยาบาทแล้วก็อวิหิงสาสัมมาวาจาวาจาชอบคือความเว้นจากวระชิทุจริตสอย่างก็คือเว้นจากการพูดปดจากการพูดคำหยาพูด อเสียจากการพูดเผอเจอสัมมากรรมันโตก็ได้แก่การงานชอบคือความเว้นจากกายรยัตถิเจ็ดสามอย่างเว้นจากการฆ่าสัตว์ทรัพย์ประพฤติผิดในการสัมมาอาชีโวความเป็นอยู่ชอบก็คือความละมิจฉาชีพเลี้ยงชีวิตด้วยความเพียรเป็นเครื่องเป็นอยู่โดยชอบก็เว้นจากการยัตถิจริศสามวิชียัตถจริศสีที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานเรื่องของอาชีพเลี้ยงชีพอยู่สัมมาวายาโม ο, ความพยายามชอบก็คือสัมมประธานสี่ แในแก่เพียรในการที่จะสังวรไม่ให้บาปอากุศลที่ยังไม่เกิด อ, อย่าให้เกิดขึ้นเพียรระวังเพียรระบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เพียรในการเจริญกุศลคือสมถะวิปัสสนาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเป็นภาวนาประธานแล้วก็อนุรักษณาประธานก็นหมายถึงเพียรรักษาอกุศลคือสมถะวิปัสสนาที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาวายโมสัมมาสติ ความระลึกชอบคือสติปัฏฐานสี่ระลึกเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมอยู่บ่อยๆเนืองๆสามมาสมาธิความตั้งใจไว้ชอบก็คือฌ า, า, า, านสี่ปฐมฌานทุติยฌานตัิยฌานเจตจัตจฌานรวมทั้งอุปจาระสมาธิด้วยนะเจตสิกธรรมแปดนี้ชื่อว่าองค์แห่งมัชก็เรียกว่ามัชขังคะประชุมแห่งธรรมแปดที่เกิดพร้อมกันทงกิจของตนของตนนั้นชื่อว่ามัชเพราะเป็นทางแห่งพระนิพพาน ดววหารบัญญัติแห่งพระพุทธเจ้าพระเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่ามัชเป็นของพระอริยเจ้าประกอบด้วยองแปดผลนั้นแปลว่าความเพ็ดออกคือความแก่ความสุขมาแต่มัชได้แก่ความระงับแห่งประโยคะในการออกจากกิเลสแห่งสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั้นก็คือองค์ของมัชมีองแปดนั้นทํากิจในการละกิเลสแต่ว่าความระงับประโยคคือไม่ต้องมีการละอะไรแล้วเสวยแต่ผลอย่างเดียวนี่นะ เรียกว่าผลซึ่งว่ามัชสี่ผลสี่นั้นก็คือโสดาปฏิมัชโสดาปฏิผลทกทาคามิมัชสกะธาคามิผลอนาคามิมัชอนาคามิผลอารหัตมัชอรหัตผลซึ่งมัชผลเป็นสิ่งละสี่ละสี่นี้ตามนิยมก็คือตามกําหนดที่มละกิเลสนั้นๆได้และคุณที่สมเร็จมาแต่การมละกิเลสจะกล่าวด้วยกิเลสที่มัชนั้นๆจะพึงมละได้ก่อน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 ก็ถือนามเป็นตนแต่รูปก็อยู่ในา น, นามอันนี้ตีนี้เห็นว่าตนในรูปมีตัวตนก็คือวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญ า, าณอยู่ในรูปนี้อเจ้ญญาติยามนมธรรมนั้นเป็นตนแต่รูปนี้เป็นรูปดั ง, งแก้มณีในทะอบเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญ า, ญาณว่าเป็นตนเป็นเราเราเป็นผู้เสเวยผู้หมายผู้ตั้งใจผู้รู้วิเศษความเสเวยความหมายความตั้งใจความรู้วิเศษเป็นเราดังนี้ก็สกายยติในขันห้า โดยอาการสี่อย่างเนี้ยเห็นว่าเห็นรูปเป็นตนเห็นตนเป็นรูปเห็นตนมีรูปแล้วก็เห็นรูปในตนเห็นตนในรูปเวทนาสัญญาสึงขานก็เหมือนกันก็เลยกลายเป็นกายะทิฏฐิยี่สิบอันนี้สกายะทิฏฐินี้อย่างหนึ่งเป็นสังโยชน์เครื่องถูกวิจิกิิชาความเครือบแคงในพระพุทธธรรมประสงค์และในการทั้งสาม วิจิกิช้าก็สงสัยในขันธ์ญตนะอะไรด้วยสงสัยในภพเมตตรมันรรมสองในสิกขาแล้วก็สีะระพจักรามาสความลูกคลําคือถือว่าบริสุทธิ์ด้วยสีรวัตรภายนอกาศาสนาคือปกติธรรมเนียมดังโคเป็นต้นหนึ่งก็ไปถือโควัดกุกุระวัดปฏิบัติตามสุนัขตามโคแล้วก็หมุนได้ตามธาคุิศเป็นต้นการมราโคความกำหนัดความย้อมใจในการมาคุณมีสิ่งที่ตาเห็นเป็นต้นหนึ่ง พยาบาทความปองร้ายโทสักวิการก็คือความคิดรูปไปเกิดจากกำนาจของโทสักคิดความขี้น่าแห่งสัตว์อื่นหนึ่งรูปปราโขความกำนัดยินดีในรูปคือรูปาวจรฌานและรูปปาวจรภพหนึ่งความยินดีในรูปฌารูปภพนี้เรียกว่ารูปปราคะอรูปปราโขความกำนัดยินดีในอรูปธรรมคืออรูปาวจรฌานแล้วก็อรูปปาวจรภพหนึ่งมาโนความสำคัญว่าเป็นเราเราประเสริฐ เราเหมือนเขาเราต่างกว่าเขาเป็นต้นหนึ่งอุททัจจังความฟุ้งซ่านไม่สงบหนึ่งแล้วก็อวิชชาความไม่รู้แจ้งสัจจะของจริงสี่หนึ่งคือไม่รู้อริยสัจสี่นั่นเองอันนี้อันสุดท้ายอวิชชาเป็นสังโยชน่เรนติดนี้ชื่อว่าสังโยชน์เพราะเป็นของประกอบเป็นของสืบซึ่งขันด้วยขันแลนะสืบกรรมด้วยผลก็คือประกอบไว้ไม่ให้พลาจับกันเป็นตัวที่ประกอบพร้อม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 สังโยชน์เบื้องปลายสังโยชน์ในเบื้องบนห้าอย่างก็คือรูปราคาอารูปราคะมานะอุทธะอวิชชานี้ชื่อว่าอุทธธรรมภานิยสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เป็นส่วนเบื้องบนเพราะว่าเป็นกิเลสอันละเอียดมีแก่สัตว์ที่บังเกิดในรูปภพและอรูปภพและกระทำสัตว์ให้บังเกิดในรูปภพและอรูปภพสังโยชน์สามคือสักายยะทิคิวิจิกิจชาสิลพตปรามาสโสดาปฏิมักฆ่าตายมาละได้ขาด กับมาละการมราคาพยาบาทที่เป็นอภายยะคามีเป็นกิเลสกล้ายังสัตว์ให้เกิดในอบายได้อภัยยะคามีหมายถึงว่าไปตัวอบายการมราคาพยาบาทสองนี้เป็นส่วนหยาบสกิทาคามิมัคฆ่าตายมละคเดชขาดเพราะสกิทาคามิมัตทํ า, า, า, า, ร, า, ท า, าทราคะโทสะโมหะให้เบาบางเป็นการละแบบตนุกระประหารละโดยการทําให้เบาบางจึงมละกิเลสเช่นนั้นได้การมราคาพยาบาท สองสังโยชน์ซึ่งเป็นกิเลสอันละเอียดเหลืออยู่นั้นอาณาคามิมักก็ฆ่าตายมร ะ, ะได้ทีเดียวอุทธทมพาคียสังโยชน์เบื้องปลายห้านั้นอรหัตมักฆ่าตายมร ะ, ะได้ขาดไม่เหลือเลยทีเดียวนี้แหละชื่อว่ามักมีเป็นสี่โดยนิยมแห่งกิเลสทหารคือกำหนดตามการละกิเลสการมร ะ, ะกิเลสนั้นดังนี้และให้นักปราดพึงรู้เถิดส่วนผลเล่า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 เพราะว่าเป็นคุณความระงับแห่งประโยคในที่จะออกจากกิเลสข้ากิเลสนั้นๆเกิดขึ้นในลำดับแห่งมรคนั้นๆั้นนี้แหละผลซึ่งว่าเป็นสี่โดยนิยมแห่งประโยคปัจสัธิความระงับแห่งประโยคนั้นดังนี้อันหนึ่งมรตเป็นต้นเหตุคือเป็นโลกุตระกุสนผลเป็นความแก่ความสุขแห่งมรตคือเป็นโลกุตระวิบาผลมาแต่มรต มรรคก็มาแต่โคตระภูโคตระภูก็มาแต่อนุโลมอนุโลมก็มาแต่อุปจาระอุปจาระก็มาแต่สังขารรูปเปกขายานซึ่งเป็นยานที่สิบวิปัสสนายานที่สิบเป็นยานสุดท้ายที่อยู่นอกมรรควิถีนอกนั้นก็เป็นมรรควิถีและตั้งแต่อุปจาระอนุโลมโคตระภูนี้จะเป็นมรรควิธี อปปจารก็มาแต่สังขารุเปกขายานคือตัววิปัสนาปัญญาที่มีกําลังกล้ากว่าวิปัสนาญาณทั้งเจ็ดมีสัมมาสัญญาณเป็นต้นท่านก็แสดงนะว่าผลเนี่ยมาแต่มรรคมรรคนั้นก็เป็นปัจจัยแก่ผลโดยอนันตระปัจจัยนะอนันตระปัจจัยแต่ไม่ใช่อนันตระปัจจัยเท่านั้นแหละเป็นอนันตรปัจจัยด้วยอนันตารูปะนิสยปัจจัยด้วยสมานันตะปัจจัยด้วยเป็นนับถิปัจจัยเป็นวิคตะปัจจัย เจตนาในมรรคนั้นก็เป็นอนัตตรกรรมปัจจัยแก่ผลก็คือโลตระวิบากที่สืบต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นรวมต่อดวงนั้นแหละโคตรภูนั้นก็มาแต่อนุโรมก็โดยอนันตรัปัจัยสมนันตรัปัจัยอนันตรูปปนิติยปัจัยนัตถิปัจัยวิกตะปัจจัยอุปจาระก็โดวงตาดวงนี้ก็ปัจใจห้าอย่างอนันตรชาตปัจใจห้าอย่างนี้ก็กิดทุกดวงเลยต้องเป็นปัจจัยโดยอนันตรัปัจใจห้าอย่างนี้เแต่ว่าถ้าเป็นใน ชาวนะที่เป็นกุศลอกุศลกิริยาของพระทหาร น, นี้ก็จะเพิ่มอาเสวนาปัจจัยด้วยก็วิปัสสัญญาณที่กล้ากว่าวิปัสสัญญาณทั้งหลายทั้งเจ็ดนี้ก็เรียกว่าสังขารุติขา ย, ยานการเจริญปัสนาการเริ่มตั้งแต่สมมาสัญญาณตามพระบาลีแต่ว่าถ้าเริ่มต้นจริงๆก็ต้องนามะรู ป, ประบริเชียญาณวิปัสสญญาณที่หนึ่งมรรคผลบังเกิดในวิถีจิตอันเดียวกันจิต ซึ่งจะเป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีเป็นไปในขณะแห่งโชนะคือความแล่นไปแห่งจิตโชนะจิตแล่นไปคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพียงเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งถ้าโยคาวาจรเห็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใช่ตนด้วยปัญญาอันแก่กล้าจนเพิกเฉยในสังขารทั้งปวงความเห็นดังนั้นชื่อว่าสังขารุปเปขายานสังขารุปเปกขายาณเมื่อมีกําลังกล้าแล้วในขณะมักจะเกิดขึ้นนั้น จิตอันสำยุติด้วยสังขารูปเปกขาญาณลงสู่ภวังแล้วมโนทวารวชนจิตซึ่งเป็นกิริยาเกิดขึ้นแล้วชวนะจิตเป็นไปเจ็ดครั้งชวนะจิตที่ต้นชื่อว่าบริกรรมชวนะจิตที่สองชื่อว่าอุปจาระโวนะจิตที่สามชื่อว่าอนุโลมโวนะจิตที่สี่ชื่อว่าโคตรตะูโวนะจิตที่ห้าเป็นวาระแห่งมัตโวนจิตที่หกที่เจ็ดชื่อว่าผลปัญญาที่มีในจิต ลักษณะทั้งสาคือบริกรรมอุปจาระอนุโลมนั้นรวมกันเข้าเรียกว่าอนุโลมยามีสามขณะปัญญาในจิตสามขณะเป็นมหาวุฒิญาณะสามยุทธ์ที่เรียกว่าบริกรรมอุปจาระอนุโลมปัญญาในสามขณะนี้เรียกว่าอนุโลมยานเพราะว่าคล้อยตามเพราะเป็นของอนุโลมแก่วิปัสนาญาณทั้งแปดมีสมมาสนญญาณเป็นต้นในเบื้องต่ำและเป็นของอนุโลมแก่โพธิปัพยธรรมตานิจจในเบื้องบน ปัญญาในขณะจิตที่ชื่อว่าโคตรตรพูนั้นเรียกว่าโคตรตรภูญานเป็นมหากุสอ ญ, ญาณสัมยตุโดหิตสี่เพราะเป็นปัญญาครอบงำเสียซึ่งโคตรคือภูมิแห่งปุตชนจะยังเข้าสู่อริยภูมิปัญญาในขณะมัคคิจนั้นชื่อว่ามัคคยานเพราะกระทํำกิจสี่ประการคือปริญญากําหนดรู้ทุกหนประหารมรกิเลสหนึ่งสัจจิเกริยาเห็นพระนิพพานหนึ่ง ภาวนาให้มักเกิดขึ้นหนึ่งปัญญาในขณะผ ล, ละจิตนั้นชื่อว่าผลญาณเพราะเป็นความระงับแห่งกระโยคในที่จมลกิเลสก็อนุโลมญาณสามนั้นเป็นโลกิยาปุศนโลกิยะปัญญากระทั่งสังขารเป็นอารมณ์โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใช่ตนอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเป็นผลของสังขารุปเปขายานนี่นแหละที่พิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์นอ น, นัตตาแต่ว่าอนุโลมญาณ น, นั่นก็ มีความไม่เทีย่ยงหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาเตรียมจะออกแล้วถ้าออกด้วยความไม่เทีย่ยงก็แสดงว่าเป็นผู้ที่ยิ่งด้วยศีลมีมากด้วยศรัทธาอธิมโมกข์มีกําลังถ้าเป็นพิจรารณาแล้วออกด้วยทุกขังก็แสดงว่าสมาธิสมาจินี้มีกําลังมากด้วยปัจัตติแล้วก็ถ้าเป็นผู้ออกด้วย อ, อนัตตาแสดงว่ามีปัญญาปัญญินรี้มากด้วยเวบ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 โลคยปัญญาอันเห็นพระนิพพานก็มีอยู่แต่โคตรตรพูนี้สิ่งเดียวแต่ทว่ามาละกิเลสไม่ได้เพราะอะไรที่รักกิเลสไม่ได้เพราะว่ายังเป็นโลกยะอยู่ยังเป็นโลคยะอยู่ความประชุมพร้อมของมรรคองแปท ย, ยังไม่เกิดขึ้นในโคตรตรพูยานจะเป็นประชุมพร้อมกันในมรคยานมรคยานจะโลกุตรักุตโสนโล ก, ตลโลกุตรปัญญากระทําพระนิพพานเป็นอารมณ์ฆ่ากิเลสได้ จึงจัดเป็นโลกุตระกุศลโลกุตระปัญญาผลลยานก็เป็นโลกุตระปัญญากระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์แต่ทว่าไม่ต้องฆ่ากิเลสเป็นแต่อานิสงส์คือความระงับแห่งความขวนขวายในที่จะฆ่ากิเลสเท่านั้นจึงจัดเป็นโลกุตระวิบากเป็นผลสุขมาแต่มัดอันหนึ่งผลละจิตในมัคควิถีนี้เป็นสามก็มี ก็าอนุโลมจิตเป็นแต่สองไม่เป็นสามดังวาระก่อนโคตรภูจิตเป็นที่สามมรคจิตเป็นที่สี่ผลจิตจึงเป็นสามดังนี้ก็แลผลจิตนั้นลงสู่ภวังแล้วมโนทวาราวชนะจิตเกิดขึ้นแล้วต่อไปมรคปัจเวกคณญาณคือปัญญาที่พิจารณามรค ก, ก็เกิดขึ้นแน่นไปเจ็ครั้งเหมือนกันแม้ถึงผลปัจเวกคณญาณปัญญาพิจารณาผลและปีนกิเลสปัจเวกคณญาณ ปัญญาพิจารณากิเลสที่มัดมรละแล้วก็ดีและอวะสิทะกิเลสปัจเจเวคณาญาณปัญญาพิจารณากิเลสที่เหลืออยู่ก็ดีและนิพพานปัจเจเวคณาญาณปัญญาพิจารณาซึ่งพระนิพพานก็ดีเหล่านี้ก็เกิดขึ้นตามลําดับโดยนิยมดังกล่าวแล้วในมัดคระปัจเจเวคณาญาณนั้นปัจเจเวคณาญาณทั้งห้านี้ย่อมเกิดมีแก่พระอริยเจ้าเบื้องต่ำสามคือ ดั่วตดาบานพระสกิทาคามีพระอนาคามีแก่พระอรหันต์นั้นมีแต่สี่เพราะอวติถะกิเลสะปัจเวคขณะยานไม่มีคือกิเลสที่เหลืออยู่นี้ไม่มีแล้วซึ่งกล่าวมานี้ไม่นิยมว่ามักว่าผลใดเป็นแต่กล่าวโดยสามัญเพื่อจะให้รู้ลำดับวาระแห่งมัคคิตและผลจจิตเท่านั้นก็แลมักทั้งสี่ละสิ่งละสิ่งเกิดในดจิตตะวาระอันเดียวทุกมักมักไม่เกิดหลายครั้งเหมือนดังผล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 ถ้ามีกระแสของฌานเป็นผู้ที่ได้ฌานมาด้วยก็เข้าพลังสมบัติเป็นกระแสยาวเลยเป็นวันๆคืนๆก็ได้แต่ว่าของผู้ที่ไม่ได้เจริญวิสัยภาชั mn านจากการที่ได้ฌานเนก็อาจจะเข้าชั่วพักหนึ่ง ว, า ร, งวาระหนึ่งออกวาระนั่นออกหนึงจะน้อมไปในการเจริญปิพัฒนาก็จะมีผลจิตเกิดได้เหมือนกันอันหนึ่งพระอริยเจ้าผู้ได้ซึ่งโสดาบัตทิพผลแล้วชื่อว่าพระโสดาบันพระโสดาบันนั้นบางองค์งนั่งอยู่ในอาสนะที่ได้ผลนั่นเอง จะระลปรัสนาต่อๆขึ้นไปได้สกิทาคามิมักสกิทาคามิผลและอนาคามิมักอนาคามิผลและอาหัตตมักอารัฐาผลโดยลำดับก็มีบางองค์ลุกจากอาสนะนั้นแล้วไปในสมัยอื่นจะระลปรัสนาต่อๆขึ้นไปแล้วแลได้ถึงซึ่งมักและผล น, นั้นๆโดยลำดับก็มีก็แลโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลแปลว่ามักว่าผลแห่งพระผู้แรก ถึงซึ่งทำชื่อว่าโสตคือมัคโสตสัต์นี้แปลว่าตระแสน้ำแต่ในที่นี้โสตศัพว์เป็นชื่อแห่งมัคเพราะว่ามัคเป็นดุจหนึ่งว่ากระแสน้ำอันหนึ่งที่จะชักพาให้ตักถึงพระนิพพานเพระเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่านิบานะนินนาพิขเวสัมมาดิธินิบานาโปนานิบานาปัตพาราแปลว่า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 สกิทาคามิมักสกิทาคามิผลแปลว่ามักว่าผลแห่งพระผู้มาคราวเดียวเพราะว่าพระอริยเจ้าพูดถึงซึ่งผลที่สองนี้ย่อมจะมาเกิดในการมาพบนี้อีกครั้งเดียวแล้วจัด ก, กระทำซึ่งที่สุแถแห่งทุกข์คือถึงพระอรหัดแล้วและนับขันด้วยอนุปาทิเสสนิพานตถาภานาคามิมักอนาคนมิผลแปลว่ามักว่าผลแห่งพระผู้ไม่มา เพราะว่าพระอริยเจ้าผู้ได้ถึงผลที่สามนี้ย่อมจะไปประเกิดณพรมโลกชื่อว่าสุดท่าวาสนี่หมายถึงต้องได้ฌานห้าโดยปัญจกนัยหรือว่าฌานสี่โดยเจตุกนัยจึงจะไปเกิดในสุดท่าวาสได้ถ้าเป็นเป็นพระอนาคามีแล้วได้ฌานหนึ่งฌานสองฌนสามก็ไม่ไปสุดท่าวาสจะไปพรมโลกชั้นปฐมถฌานภูมิทุติยฌานภูมิตัิยฌานภูมิก็เมื่อไปสุดท่าวาสแล้วแลปรินิพานในพรมโลกนั้น มีอันไม่ปรับจากปรมโลกนั้นมาเกิดในการประพบนี้อีกเป็นธรรมดาอรหัตมัชแปลว่ามัชเป็นที่มาแห่งความเป็นพระอระหันต์อรหัตผลแปลว่าผลคือความเป็นพระอระหันต์พระอริจ้าผู้ได้ผลที่สีน่นี้ชื่อว่าพระอระหันต์เป็นผู้ไกลกิเลสดับขันแล้วไม่มีพบใหม่อีกก็แลมัชนั้นเป็นผู้ฆ่ากิเลสดังพระมหากัสสประทําศึกด้วยพระมหากัสส์ ซึ่งเป็นศัตรูในราชธานีอื่นจับกษัตริย์ซึ่งเป็นศัตรูพิฆาตฆ่าเสียผลเป็นอนิสงฆ์แห่งมรตที่พระอริยเจ้าจะพึงได้พึงเสวยดังราชสมบัติอันมหากระตัดนั้นพิฆาตฆ่าซึ่งกษัตริย์ผู้เป็นศัตรูแล้วได้เสวยสุขสำราญฉะนั้นถามว่ามรตมลคกิเลสอันใดกิเลสนั้นเป็นอดีตหรืออนาคตหรือปัจจุบันแก่ว่า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 กุศลอกุศลทั้งสองซึ่งเป็นค่าศึกกันก็จะเป็นอันเกิดพร้อมกันในขณะกิจอันเดียวกันได้ข้อซึ่งว่ามัคมะละกิเลสนั้นประสงค์เอากิเลสซึ่งควรจะบังเกิดในขันธ์ทั้งห้ามีรูปเป็นต้นซึ่งเป็นภูมิแห่งวิปัสสนาที่ชื่อว่าภูมิรัทธุ ป, ปันนักิเลสกิเลสมีภูมิคือขันธ์ห้าอันได้แล้วบังเกิดขึ้นดังรถแห่งปัตวีธาตุและอาโปธาตุอันชาตอยู่ในรากไม้ลำต้น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 บุรุษผู้หนึ่งตอกต่อยด้วยหนามกระเบนอันกำซาบด้วยยาพิษในทิศทั้งสี่ต้นไม้นั้นเมื่อต้องสัมผัสแห่งยาพิษแล้วก็ตายด้วยรสแห่งปัตวีธาตุอาโปธาตุซึ่งซึมซาบนั้นแห้งหายไปด้วยสัมผัสยาพิษนั้นแล้วเป็นต้นไม้ไม่เผ็ดดอกออกผลได้ต่อไปฉะนั้นมัคคะวิภาวนาก็จบเพราะฉะนั้นเจ้ากิเลสที่ถูกนักละเนี่ยนะ ไม่ใช่กิเลสเป็นอดีตอนา sana, คตปัจจุบนันแต่ว่าหมายถึงกิเลสที่เมื่อไม่ได้ทําปริญ ญ, ญาไม่ได้กําหนดรู้ทุกข์ไม่ได้ละสมุทัยในกําหนดรู้ขันห้าไม่ได้เจริญธรรมถาวิปัสนาในขันห้าไว้เนี่ยมันก็ยังจะเกิดขึ้นได้อีกเมื่อมีปัจจัยแต่ว่าเมื่อเจริญธรรมถาวรวิปัสนาทำปริ ญ, ญญาในทุกข์ไวเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยมันก็เหมือนทำมีภูมิป้องกันเอาไว้กิเลสก็ไป่ได้ไปเกิดอาศัยขันห้าเกิดขึ้นไม่ได้ขันห้าเนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสนาภูมิเป็นภูมิของปัญญา ที่เป็นวิปัสนาแต่ว่าถ้าไม่เจริยวิปัสนาในขันหานั้นขันหานั้นก็เรียกว่าเป็นกิเลสภูมิเหมือนกันเรียกว่าภูมิรัตถุปัณะกิเลสกิเลสที่ได้ภูมิคือได้อาศัยขันห้าที่ไม่ได้ทําปริญญาไว้เรียบร้อยนั่นแหละเกิดขึ้นนั้นก็ให้รู้ว่ากิเลสที่มรรคนั้นไม่ใช่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นกิเลสที่ถ้าไม่เจริยวิปัสนามรรไม่เกิดแล้วกิเลสนี้จะเกิดขึ้นได้แต่เมื่อมรรเกิดแล้วจึงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อีกเหมือนกับว่า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 อันก็ขอให้ท่านทั้งหลายทำหมันกิเลสด้วการอบรมอริยมรรคในองแปดเจริญไตรสิกขาแล้วก็อบรมสมถวิปัสนาเพื่อเป็นปัจจัยต ก, การที่จะทำให้กิเลสสิ้นไปในอนาคตหนึ่งใกล้นี้ขออนุโมทนาสาธุการสาธุสาธุสาธุ